เวลากำลังพอดีสี่โมงเย็นวันนี้เป็นวันที่สิบแปดตุลาคมสองพันห้าอยี่สิบหกซึ่งมีการเปิดอบรมกรรมฐานรื่อเจริญสติที่ทับมิงขวนให้สำนักใหม่ๆที่เกิดขึ้น ที่จังหวัดเลยอำเภอเมืองแล้วก็ตำบลกุดป่องวันนี้จะเป็นการเล่าประวัติเรื่องการปฏิบัติธรรมหรือชีวิตชีวิตของความเป็นมาคนเราทุกๆุกคนคงจะไม่ผิดกัน คงจะคล้ายๆกันเป็นอย่างนั้นตัวของผมหรือตัวของอาจมานี่เป็นเด็กบ้านนอกเกิดบ้านนอกเกิดที่ตำบลบวง hom อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยแต่สำนับตำบลบวง h มคขาวนั้นยังไม่มีถนนหนทางเป็นบ้านที่ห่างไกลจากความเจริญ เป็นเด็กที่ไม่ได้เข้าโรงเรียนเพราะยังไม่เคยมีโรงเรียนแถวๆนั้นไม่เคยมีโรงเรียนจึงไม่ได้เรียนหนังสือเมื่ออายุสิบเอ็ดปีกว่านี่แหลก็เลยมาบวชเป็นเนนมีคนให้บวชเป็นเลนมาบวชเป็นเน น, เนในยุคนั้นก็มีญาติเลือกเป็นหลวง น, นาท่านเคยเป็นกรรมฐานมาอาจารย์คนนี้ เรียนมูลกระจายมาจบจากจังหวัดอุบลสมัยนั้นการบวชก็ไม่ต้องมีอุปสาเพราะว่ามีอ 5, ายุห้าพรรษาแล้วก็บวชได้บวชพระบวชเนนได้ท่านก็เอาบวชเองบวชแล้วท่านก็ฝึกกรรมาฐานให้แล้วก็เรียนเรียนธรรมะั้งันเรียนหนังสือธรรมเป็นตัวหนังสือติดอยู่กับใบลาน แต่ท่านก็บังคับหลายอย่างที่ท่านบังคับให้ทําแล้วก็เรียนหนังสือบ้างทํากรรมฐานบ้างกลายไปใกล้ๆท่านกันถ้าไม่หมอบไม่คานท่านก็ดุเอาบางครั้งท่านก็ตีเอาอสามวาให้มอบสามซอกให้คานใกล้ครูบาอาจารย์เนี่ยไปแรงๆไม่ได้ท่านดุเอาตีเอาเราก็เป็นเด็กก็จําเป็นต้องเชื่อฟัง ในยุคนั้นสมัยเมื่อกำลังศึกษากรรมฐานนั่นท่านให้นั่งขดสมาธิอย่าขดธรรมเพ็จัเอาขาขัดกันและมันงอไปข้างซ้ายข้างขวามันขามันไม่ออกกันมันติดกันแต่ที่จะทำที่ตรงนี้มันก็สถานที่ยังไม่เหมาะสมขามันขัดกันเอาไว้แล้วก็หลับตาให้นึกว่าหายใจเข้าพุทธ หายใจออกโทททำเส้นนี้รู้สึกว่ามันได้จังหวะกันดีแล้วท่านก็ให้ดูลมหายใจเข้าสั้นออกยาวท่านก็สอนอย่าง น, นี้แล้วสอนจากนั้นมาท่านให้ดูลมหายใจหยาบละเอียดท่านสอนได้ผวมสงบดีจากนั้นมาอาจารย์ก็หายไปท่านก็ไปเมืองลาวเพราะท่านติดเมืองลาวมากไปด้วย ไปด้วยอาจารย์พายบาดให้อาจารย์ตัวเองก็ต้องเดินไปเนี้ยก็เนนน้อยติดอาจารย์ไปกลับมาอยู่เมืองลาวไม่ได้มันมันคิดถึงบ้านเด็กน้อยมันคิดถึงบ้านถ้าแวาขึ้นบ้านมันน้ําตา ม, มันไหลออกมา ท, าทันทีมันคิดถึงบ้านแล้วก็เลยคืนมาขึ้นมาอยู่ที่บ้านก็มีจาอาจารย์อีกองค์หนึ่งมาสอนอีกแล้ว ขึ้นต้นไม้ต้องขึ้นไปตั้งแต่ต้นๆทันวาอย่างนี้ขึ้นไปแต่ต้นนั้นทำอย่างไรท่านให้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบให้ได้จังหวะกับลมหายใจเข้าหายใจออกนับถึงสิบแล้วท่านก็ให้นับจากสิบลงมาหนึ่งเออสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้า ปีสามสองหนึ่งท่านสอนอย่างนี้อันนี้เป็นขังอีกจะด้วยท่านสอนถ้าผ่ามีดบาดเนี่ยคัดใจแล้วก็นับเป่าแล้วก็ขัดเลือดได้แล้วก็คงขังถ้าจเจริญดีๆแล้วตราถีได้ น, น, นี่อาจารย์สอนสอนเรื่องขังเรื่องศักดิ์สิทธตัวเองก็อยากขังอยากศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วแบบนี้อยากหายตัวได้ แล้วก็อยากมุดน้ำไปใต้น้ำได้อยากเดินตามผิวน้ำได้มันสร้างคิดไปคนถ้ามีคนพูดอะไรสิ่งที่ดีๆนะมันต้องการทันทีแต่ของสิ่งนั้นทำาแล้วมันไม่ได้เรื่องอะไรปไปยัง้นในยุคนั้นบวชอยู่ได้ปีหกเดือนที่ว่า 2000, สองพัาทำกรรมาฐานทำมาอย่างนั้นแล้วจากนั้นมาัางได้ทำ สัมมาอ阿拉หังเหล่านี้แหละนะครับเรียกว่าพองนุกหรืออาณาปานสติเหล่านี้ในระยะสิกออกมาเป็นเป็นเสียงเรียกว่าเสียงย เ, เสียงอาจจะเสียง<ม>เป็นเลนสิกออกมาเรยว่าเสียงยังมีการถือศีลอาจามาต้องถือศีลกลัวนรกกลัวบาป<ม>คนทับทําผิดศีลต้องไปตกนรกท่าน คนใดไม่มีศีลเนี่ยต้องไปตกนรกท่านสอนอย่างนั้นก็ต้องกลัวบาปไปเห็นฟ้าผนังศิมท่านแต้มเอาเป็นรูปภาพเอาไว้ตัวเป็นคนหัวเป็นสัตว์บางคนบางคนหัวเป็นอืคนตัวเป็นสัตว์ก็มีไปตกนรกเลือดดําเลือดแดงออกมาจ่าโยมพี่บานเอาหอกแดงหอกอ ย, ายาวๆเนี่ยแทง สลักหัวลงไปเจ็บเนี่ก็เลยกลัวกลัวไปตกนรกอยากได้มงสวรรค์ใ น, นครานั้นเขาต้องพยายามรักษาศีลและพออายุยี่สิบปีก็มีผู้ให้บวชอีกแล้วบวชเป็นพระแบบ น, นี้ระยะบวชเป็นพระนี่คล่องตัวแล้วเรียยว่าํำนานเรื่องธรรมกรรมฐานเนี่ยไม่ต้องถามใครก็ได้ สั่นเข้ามือเดียวเรีย่ยวสันเข้าเอกาอยู่ในโบสถ์ท่านสอนแล้วก็ทำเลยทีเดียวเนี่ยไม่ต้องถามใครละเพราะเคยทำมาแล้วอย่างเนี้ยระยะหกเดือนนะต้องทำเข่งขัดทำจริงจริงจังจั ง, จงแต่ได้กลมสงบสงบดีแต่เมื่อมีคนมาพูดที่ไม่เพาะหรือไม่พอใจก็ยังมีความเดือดดาลร้อนใจตัวเอง แต่ไม่เข้าใจว่าความร้อนใจเป็นทุกข์ไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆข่วาวนั้นทสงบได้ดีนั่งได้ภายในสิบชั่วโมงหรือสิบสองชั่วโมงนี่นั่งได้สบายซึกออกมาบ่เนี่ยซึกออกมากับบางข้างบางค้าวก็ทำอุโบสถศีล น, นี่ว่าศีลแตกไม่ค่อยให้ผิดนักเลย แล้วก็มีการทำมาหาจินอย่างที่พวกเราเราทุกคนนี่แหละจิตใจคนต้องเป็นเช่นนั้นบัดนี้มีคนทาบุญก็เป็นผู้นำรัตนาสินรัตนามงคลรัตนาเทศถวายอาหารให้พระกินได้เพราะศึกษาเลาเรียนแต่เมื่อสมัยเป็นเนครูบาสอนให้อย่างนี้ทำมาสิ่งเหล่านั้นยังไม่รู้จกัก ต่อมาก็มามีครอบครัวในระยะมีครอบครัวต้องทำบุญทำบุญบ้านประจำปีกลางพรรษามาต้องทำบุญบ้านแจกข้าวยางเนี่ยนอกจากการแจกข้าวแล้วก็ต้องมีการบวชนาคทำการบวชนาคนี่อย่างน้อยที่สุดต้องสิบผลและเอานาคมาบวชเป็นพระแต่เราต้องการบุญแต่ยังไม่เคยรู้ว่าบุญคืออะไร อยู่ที่ไหนไม่เคยรู้แล้วก็เคยทำกองกระถินบ้างสมัยนั้นยังไม่มีคนทำบุญสังหอมธาบก็มีคนแก่คนหนึ่งสมัยนั้นเราเป็นผู้นำในบ้านนั้นสมัยนั้นท่านก็เหลื อ, อท่านท่านเรียกว่ามึงกูนี่นะมึงต้องทำนะทำ แต่ว่าเรื่องการทำบุญต้องทำทำบุญสังหอมธาตุนี่ต้องมีดอกไม้เงินดอกไม้คาแล้วก็มีดอกบัวหลวงเป็นร้อยดอกบัวน้อยๆดอกบัวขี้เบ้อนะเป็นพันๆแล้วก็มีดอกหน้าคาดอกหน้าขัดโอ้ยอะไรละ่ะพูดได้เพราะเราเป็นผู้นำเป็นผู้นำเนี่ยต้องเป็นให้ดีๆคนเฒ่าคนแก่ก็เคารพนับถนะือ แม้ทำอะไรไม่ต้องขัดคอคนเท่าคนแก่เรียกว่าเทียมผีเท่าเทียมเจ้ายืนคนว่าอย่างนี้คนเท่าคนแก่ก็พอใจในคําพูดของตัวเองเพราะตัวเองไม่เคยดุคนมากเท่าไหร่มีเรื่องการทําบุญเนี่ยทอดายเอาเลยทีเดียวก็ยังไม่รู้ว่าบุญคืออะไรอยู่ที่ไหนจุดสําคัญที่สุดคืออะไรไม่รู้บัดนี้เขาเลยมาตัดใจควรมที่ มาเจริญสติแบบการเคลื่อนไหวนี่ทันทีเพราะว่าเดียวนี่โกได้เป็นเวลาพูดมาแล้วสิบนาทีแล้วพูดพอปั น, นเมื่ออายุสี่สิบหกปีนี่ในช่วงนั้นอายุในเกณฑ์สี่สิบสี่ปีได้ฟังเทศอาจารย์คนหนึ่งเป็นมหาป ร, ริญญีห้าประโยค พระ อ, องค์นี้เคยติดตามอาตามาสมัยนั้นอาตามามีเลือสลาเลือถ่อเนี่เรือสลาเขาบว่าต่อมาขายเลือสลาแล้วก็เลยมาซื้อเลือกลนไฟอันนี้ไม่ใช่พูดอวดดีนะพูดโม้พูดมากจะไปหาวัยนะพูดความจริงสู่กันฟังซื้อเลือกลนไฟแล้วอาจารย์นุก็ติดตามขึ้นร้องด้วยท่านก็พูดเรื่องกรรมฐานให้ฟังแล้วก็สนทนากันแบบนี้ บัดนี้ตอนที่ไปสนทนากับท่านน่ะตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นมีแม่ขาวมีพระหลายองค์ไปสนทนากันเรื่องธรรมะเพื่อนแม่ขาวกับพะระด้วยกันไปฟังอาตมาสนทนากับพระองค์นี้พระองค์นี้ก็พูดเรื่อยไปอาตมาก็รู้เนี่ยเรื่องกรรมฐ า, านก็ต้องรู้ถามกันเลยถามอะไบางทีท่านก็แก้ไปอย่างนั้น ตัวก็ถามรัดไปอย่างนั้นทั้งก็ถามตัวเองมารัดไปพอจ้องถามกนเรื่อยๆเป็นการศึกษาสนธนาธรรมะพอเชียงคือได้หายไปทั้งหมดเลยแน่ขาก็หายไปหมดพระก็หายไปหมดสองคนแบบนี้เอาเอากันเลยบบนี้สองคนใครมียังไงก็ถามกันเลยถามกันจนถึกถึงหกโมงเช้า ท่านก็เลยพูดโอ้เรื่องธรรมะจะพูดกันให้มันจบมันสิ้นมันจบไปได้ถ้าอยากรู้ต้องปฏิบัติเอาเองทันว่าอย่างนั้นโอ้การปฏิบัติเอาเองผมก็เคยปฏิบัติมาแล้วก็ฟังคํานี้มั่นใจไว้สองปีฟังอยู่อย่างนั้นฮะแล้วกับวันนี้ก็พยายามทํามาอย่างนั้นะบัดนี้เอ๊สองปีแล้วเราต้องควรศึกษาจริงจริงตอนนี้ก็เลย ตัดสินใจเลยเราเกิดมานี่เพื่อทาํามะเกิดมาแล้วคมทุกมันหนีมากคมสุขอยู่ที่ไหนคำว่าสวรรค์นิพพานนี่ตายแล้วจึงจะเอามันเป็นรูปล่างลักษณะอย่างไรอยากรู้แบบนี้กลัวนรกนี่กลัวจริงๆอาจแตมาไม่ไม่ทำผิดจริงๆรงนะข่าวนั้นกลัวนรกมากวิธีที่ไปศึกษากับอาจารย์อาจารย์ก็เลยไม่อยู่ปีนั้นท่านก็เลย พอดีไปถึงท่านก็ไม่มีกุฏิไม่มีที่พักให้ก็ไปซื้อกระสอบดยวทอมข้าวยุงข้าวเนะี่เคยรู้ไ่ฝึกเราเราข้าวเก่าเขาซื้อสามร้อยบาทไปจ้างคนยวนปลุกให้คนยวนเขาจ็ต้องปลุกให้พอดีฝูกกุฏิแล้วอาจารย์เขาเลยบอกว่าไม่ได้อยู่สอนอยากไปหลวงพ่อบางไปจำพรรษาหลวงพ่อบางเ อ, อก็ดีเหมือนกัน ละมาแล้วไม่มีใครสอนก็ดีก็มีหลวงพ่อวันทองสอนอยู่ที่นั้นอายุเจ็ดสิบกว่าปีหลวงพ่อวันทองโอ้ดีน้องตาก็ดีท่านก็สอนให้เดินจมกรมอย่างสูงสูงยกต้นยกต้นหนอยกหนอไปหนอลงหนอโูกหนอกดหนออย่สอนกันเรื่องนี้ สอนเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้ถันลงมือทำเตรียงเทียงฝึกหัดแต่วรมริ ง, เ ร, ง, เ, ร ง, เ, รงเราฝึกหัดมาแล้วแปดปีเรื่องนี้ฝึกหัดมาแล้วแปดปีท่านไม่รู้ว่าตัวเคยฝึกมาแล้วไหมท่านไม่ถามท่านเป็นหน้าที่อาจารย์ท่านก็สอนไปเลยฝึกหัดกับท่านหลายวิธีท่านสอนเออก็ดีเหมือนกันแล้วก็เลียงกับท่านเลี้ยงกับท่านแล้วบัดนี้ท่านมาให้ทาหายใจเข้าตาย หายจะออกตายพระภาวนาตายข่าวนั้นก่อนที่จะเข้ากรรมฐานต้องมีการขอกรรมฐานสมทา น, านอุโบสถศีลก็เลยไปขอกรรมฐานจากท่านเมื่อขอกรรมฐานแล้ท่านก็สอนอย่างนี้มาทําทําไปทํามามันง่วงนอนง่วงนอนก็อ น, นอนไปเอ๊ะยังไงกันนี่มานอนหรือมาทมําไมย่อะไร มาเจริญกลับมาถานเอ๊ะมาเจริญกลับมาถานนอนทําไมเนี่ยมันคิดให้ตัวมันเองมันถามตัวเองลุกขึ้นมาพอได้ลุกขึ้นมากับปุ๊บปับ๊บเอ๊ะขี้เกียจไปซะแล้ว เ, เราว่ามาจนตายเนี่ยนตายตายเนี่ยมันเหนื่อยแนละ้วนอนไปอีกแล้วนอนเลยมันก็ถามตัวมันเองอีกและนอนทําไมเพื่ออะไรมาทมําำมามาเจริญสติตัวเองเป็นบ้าไม่รู้เลย เรื่องนี้เรื่องคนบ้านมันทำอึดอัดใจจนนั่นโอ้โหนอนลงไปประมาณจากสองสามนาทีลุกขึ้นมามันทำตัวมันเองจากสองสามนาทีนอนลงไปมันเป็นอย่างนั้นนี่ยอันนี้เรียกว่าคนบ้ายังไม่รู้จักบ้าเป็นอย่างนั้นก็เลยตัดสีใจนอนวันนั้นนอนพอดีนอนลงไปประมาณจาก สองชั่วโมงนอนหลับจริงๆหลับไม่ตื่นเลยสองชั่วโมงเนี่ยหลับลงไปเลยตื่นขึ้นมาบบ น, นี้ประมาณจากตีสามนี่แหละมาแปรงฟันก็ล้างหน้าดีๆแล้วก็เอาละบบ น, นี้ปฏิบัติมันลองดูนัจกจะจะปฏิบัติยังไงไปสา่ตัวเองก็เรียนกับอาจารย์มาพอแล้วละแบบ น, นี้ทำงานทำงานทำจังหวะทราซา่า เคลื่อนไหวไปมาซาสาเดินจมคมซาสะเอาอยู่งั้นนะจนสว่างขึ้นมาไม่รู้อะไรเลยตอนกลางวันมานุ่งเสื้อแขนยาวเนี่ยข่าวนั้นนุ่งกางเกงขาสั้นทางกลางวันก็ต้องทําจริงๆมันร้อนก็ต้องทนเอาขันติข่มอดทนทันวันต้องอดทนสู้จิตใจแล้วก็ต้องสู้จริงๆอ่ะสู้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 พ่อแม่ปู่ย่าตายายพูดให้ฟังมันเข้าไปในมันสมองอเลยเดนี้ตกเย็นมนเนี่ยอาบน้ำมาแล้วก่นนุ่งกางเกงขายาวไปนเนี่ยนุ่งเสื้อแขนยาวเอามึงละมันเนี่ยทาอยู่อย่างนั้นตลอดมาดึกนอนนอนแลบบ น, นี้ตื่นขึ้นมากับประมาณตีสองปุ๋ดีแล้วเอาทําจังหวะเดินจมคมเอียงซ้ายเอียงหัว ทำจังหวะไปจางนั้นนะเอาแต่คิดได้เนะี่ยก็ทำไปตะพุดตะเพือไปนะเรียกว่าเราหาทางตกเข้ามาตอนนี้ก็เลยมานุ่งกางเกงขาสั้นตอนเท้าตอน น, นเปลี่ยนชุดแล้วข้าวนั้นไปปฏิบัติธรรมจ้างเขาให้เขาซักเสื้อซักผ้าซักรีดให้อย่างนุ่งถ้าไม่รีด ก, ก็ละอายเนี่ยมันเป็นคนพยศ อันนี้แหละเรียกว่ามีมานะมีทิฐิถือเนื้อถือตัวจ้างลูกจานแดงนี่แหละสักให้เขาเป็นหนุ่มเป็นสาวเพราะว่าจานแดงนี่เป็นเพื่อนกันแม่แกนเนี่ยเป็นคนทําอาหารให้กินเป็นงนนก็เลยทํามาทํามาตอนตีห้าดูลายมือนี่ยังไม่ซัดดีมีแมงป่องตัวนึงตกใส่ขานั่งพักเทียบ ขามันหลุดเข้ามาเนี่ยแมงป่องตัวนึงตกใส่ขานี่เอ๊ะตามปกติมันต้องปัดทิ้งไวๆมันปัดที่ตกใส่ขาขาวนั้นก็เลยไม่ปัดเลยพิ่เจรณาเอ๊ะทําไมแมงแมงแ ม, ง, แมงงอดบ้านอาตมารเรียกแมงงอดเอ๊ะทําไมมันไม่กัดเราเข้าใจอี่เอ๊ะเราก็ทําไมจีไม่ตีมันเป็นยังไงกันนโอก็เลยเข้าใจเรื่องลูปนามขึ้นมาข่าวนั้นเอ๊ะแมงงอดนี่ก็ บ้าแมงงอดอาจจะไม่รู้บางคนแมงปองแมงปองนี่ทําไมมันไม่กัดเ้าโอ้เมงปองก็เป็นรูปเป็นนามเหมือนกันเอ๊ขาแล้วก็เป็นรูปเป็นนามเหมือนกันเอ๊ตัวเราก็เป็นรูปเป็นนามเหมือนกันทั้งตัวเลยแมงปองก็เป็นรูปเป็นนามนํากันทั้งตัวเลยเมงแมงเมงปองไม่ลูกอ่อนพอาดี๋มันตกได้ขารูปมันกระจายออกไปแม้มันมูบอิ้เท่านั้นเนี่นานพอสมควร ก็เลยไปหาเอาไม้มาเต็กขาเราไม้ประมาณจากศอกนี่แหละเต็กขาพอเนื้อมันไหวเมีงปองก็เลยไต่เข้ามาจับไม้ทันทีพอดีมันจับส้นนั้นเออมันเราก็มือจับส้นนี้พอดีมันไตมาส้นนี้เรากะกลับไปจับส้นนั้นเอาไปวางมาคันแทนาที่ว่าคันนาวางไว้แล้วกะกลับคืนมามาเจริญสติตามเดิมแล้วก็มีคุยสองตัวอีกแล้วบัดนี้คุยถึกใหญ่ใหญเนี่ย โซนกันข่าวนั้นเน่ะมันคาดไปซนกันอยู่ทุ่งนาแล้วเ็าเบิ่งควยสซนโอ้มันไม่รู้แม่มันเจ็บแทบจะตายแล้วนะันเป็นยังไงโซนกันโอ้เราพอสอบควยสซนควยขาวนั้นน่ะสอบดูควยสซนควยบ้างมาดูตัวเราบ้างโอ้โหตายก็เลยรู้รูปธรรมนามธรรมโอ้ธรรมะคือตัวเราจริงจริงนี่ตัวเรานี่เองเป็นธรรมะเข้าใจตรงนี้จริงๆง เมื่อเข้าใจธรรมะแล้วโอ้เข้าใจรูปโลก้นมาโลกคนโลก โ, โลกนี่มีสองแนวรูป โ, โ, โลกน้ำโลกเนี่ยเข้าใจอย่างนั้นจริงๆเข้าใจจริงๆนะมันรู้แล้วไม่หลงไม่ลืมจริงๆโลกนี่มีสองอย่างโลกทั้งเนื้อนหนังเจ็บหัวปวดท้องต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอตรวจเซ็กดีๆแล้วให้ยากินก็หาย โรคบางอย่างรักษาก็หายโรคบางอย่างรักษาก็ไม่หายโรคบางอย่างไม่รักษาก็หายเองโรคบางอย่างรักษาก็ไม่หายตายเลยก็นี้เเข้าใจเพียอย่างนั้นโรคทางจิตใจได้บ่เนี่ยโรคทางจิตใจพอใจไม่พอใจดีใจเสียโอ้อันนี้จิตวิญญาณเป็นโรคจิตใจเป็นโรคต้องอาศัยการเจริญสตินี่เองมึง รู้จักอันนี้แล้วก็พลิกมือขึ้นขั้วมือลงก็เลยรู้จักทุกขังอันนี้จังอนัตตารู้จริงจริงเป็นอย่างนั้นในสมัยนั้นอาจารย์สอนว่าทุกขังอันนี้จังอนัตตานั้นผมงอกฟันหักเนื้อหนังมันแห้งแห้วเข้ามันย่นย่อ ก, กิดเป็นอนัตตาท่านบอกบังคับบัญชาไมา่ได้แล้วนะี่รู้อันนี้แล้วก็เลยรู้สมมุติ พอดีรู้สมมุตินี่รู้จริงๆรงรู้ให้ครบให้จบให้ทั่วโอ้บวชแล้วก็สึกแม้เราเป็นเนร เ, เนี่ยก็บวชแล้วก็ศึกมาเป็นโยมเป็นเสียงโอ้สม ม, มุติจริงจริงวันนี้อายุยี่สิบปีก็ไปบวชอีกแล้วโอ้มันสม ม, มุติเอาอันนี้นี่มันเข้าใจอย่างนั้นอ้ผีบะเนี้ผีก็สม ม, มตุติแต่มีจริงคนไม่มีญาณไม่รู้เคยได้ยินไหมพกทธาน คนทำชั่วพูดชั่วเขาว่าไอผ้ผีถ้าเป็นผู้ตายคนทําดีพูดดีเขาว่าเอออิจานี่คือคือพระธรรมแต่มันคือมันไม่ได้เห็นตัวพระธรรมมันคือแต่บุคคลที่ไม่มียานต้องคือเอาแต่เมื่อมียานนะโอธรรมะคือคนใจดีดคนดีใจใจดีแบบ น, นี้ก็เลยรู้จักเทวดาขึ้นมาโอเทวดานี่มันเป็นอย่างนี้ คนใดมีหินิโอตปะโอ้เทวดามันเป็นอย่างนี้โอ้เราก็เป็นเทวดาได้แบบนี้เข้าใจว่าเป็นเทวดาได้จริงๆข่าวนั้นแต่ยังเป็นพระไม่ได้เป็นมนุษย์ได้จริงๆข่าวนั้นน่ะเป็นได้จริงๆเมื่อเป็นเทวดาได้แล้วบัดนี้มองดูสภาพความเป็นอยู่เรื่องสมมุตินี่รู้จริงๆรเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนั้นเป็นตำรวจทหารสมมุติทั้งนั้น ตัวคนยังเหมือนเดิมแต่คนก็เลยไปหลงติดสมมุติลืมตัวไปเป็นยาง้นติดยศ ต, ติดลาบติดซสื้อติดเสียงอะไรติดไปทุกสิ่งทุกอย่างทีเดียวติดบุญติดสินโอ้โหหลายเรื่องพอดีรู้อันนี้แล้วก็เลยรู้ศาสนาศาสนาเปลว่าคําสั่งสอนของท่านผู้รู้รู้จริงจริง ศาสนานี่คคำสั่งสอนสอนคนสอนเข้าหูคนโอ้ตัวคนทุกคนนี่ตีเป็นตัวศาสนานเขา้าใจยังเอ๊ะคนไทยคนจีนคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนอเมริกาคนคาเมนคนยวนคนลาเป็นตัวศาสนานทั้งนั้นโอ้ศาสนานจึงไปว่าคำสั่งสอนของท่านผู้รูคนใดรู้เรื่องผีสอนให้เราไหว้ผี คนใดรู้เรื่องเทวดาสอนให้เราไหว้เทวดาคนใดมีความรู้เรื่องดูลึกดูยามเขาก็สอนให้เราดูลึกดูยามเสียเคาะเสด โ, โซกอะไรแล้วเขาสอนก็เลยโอ้ศาสนาแปลว่าคําสั่งสอนของท่านผู้พุพทธาศาสนาแบบเนี่ยถานตัวเองพุทธะแปลผู้รู้โอ้อะไรรู้ก็ตัวเคลื่อนตัวไหวนี่เองมันรู้ พลิกมือขึ้นมันรู้ความไม่รู้มันค่อยหายจางไปเนี่ยมันมาถามตัวเองความไม่รู้ไปที่ไหนนี่เอาพลิกมือดูที่พลิกมือขึ้นมันรู้ความไม่รู้มันหายไปเองมันไม่มีตัวไม่มีตนความรู้ก็ไม่มีตัวไม่มีตนโอ้มันเป็นวิธีบวกกับลบอันนี้ เ, เข้าใจยังไพอดีรู้อันนี้แล้วก็เลยรู้บาสรู้บุญบาปนี่อยู่ที่ไหนบาปคือมืดคืองโง่ คือไม่เข้าใจใครพูดอะไรก็เซื้อไปต่พึ่ตะพือ่ออันนั้น บ, บาปมากที่สุดบุญคืออะไรบุญคือการเจริญสติก็เลยมีบุญขึ้นเลยแบบนี้บุญมีแล้วแบบนี้โอ้บุญนี้ไม่ต้องไปซื้อกันก็นได้เนะี่โอ้ยไม่ต้องซื้อใครอะบุญมันมีแล้วก็เลยรู้บุญบุญคือรู้คือสลาดคือแจ้งคือรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเนะี่ยครบท้วนที่ตรงนี้เลย หากต้นที่สุดนะพอดีระยะนั้นสุบุรีเนี่ยพูดแล้วพูดอีกติดบุรีพอดีรู้มาเรื่องทุกข์เรื่องอย่างอะไรแล้วแล้วก็เลิกบุรีได้เลยมันเห็นทุกข์จริงๆเลิกได้จริงๆขราวนั้นบุรีเอามันนี่มึงสุบบุรีดูที่มันมันฐานตัวเองสูบไม่ได้ทําไมจึงสูบไม่ได้เน่ะเพราะไม่อนุญาตให้สูบไม่ได้เนี่ย อ, อ, อันนี้หมายถึงมาสติ สมาธิปัญญา บ, บังคับตัวโทสะโมหะโลภะได้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นตอนนั้นแหละบังเนี่ยเกิดขมลูฟ่ฟงซ่านขึ้นมาทันทีเดินจงกรมก็ไปแสดงให้ผีฟังเลยรู้แล้วผีก็รู้เลวมันลืมอีกแล้วบังเฮแต่แสดงทำแบบนี้ให้ผีฟังแสดงทำแบบนี้ให้คนฟังแสดงทำแบบนี้ให้มนุษย์ฟังแสดงทำแบบนี้ให้เทวดาฟังเนี่ยตัวเองเป็นบ้าไม่รู้ เดินไปเดินมาจนตกเย็นตกเย็นก็ไปอาบน้ําอาบน้ํามาแล้วกน็นุ่งกางเกงถ่ากางเกงนุ่งเสื้อเดินจมกลมกันอีกแล้วต้นนั้นเป็นทางนั้นเป็นต้นข่อยทางนี้เป็นต้นอะไรกันลืมไปเลต้นมะคานต้นพุทธานะ่ะมันรับตรงกันก็เดินไปเดินมาไม่เคยลู่ขมคิดตัวเองเลย คล้ายๆคือมีคนมาผักข้างนี่เนาะบูบเอ๊ะมองไปเอ๊ะใครมาที่ตรงนี้มันไม่มีคนไม่รู้เลยไม่เห็นเอ๊ะมันเป็นอะไรเนะาะเลยเอ๊เดินไปอีกไม่นางก็เลยรู้คิดมันคิดบูบขึ้นมาโอ้มันคิดไ ป, อ, ดปอย่างนี้ก็เลยรู้ความคิดครั้งที่สามนี่รู้จริงๆโอ้มันคิดโอ้มันคิดนี่ไม่มีตนไม่มีตัวโอ้ แหมเราเคลื่อนไหวนี่มันเป็นรูปเรามองเห็นด้วยตาอ้ออันนี้คนอื่นยังมองเห็นได้แม่คิดนี่คนอื่นมองไม่เห็นโอ้แม่มันละเอียดที่สุดโอ้รู้ได้เพราะตัวเองก็เลยลูกขมิดเดินไปเดินมากลับไปกลับมาอยู่ที่ตรงนั้นแหละไม่นาน ก็เลยรู้สมุฐานของผลคิดแน่นอนที่สุดบอกว่าคือแมวกับหนูนี่แหละพอเดคิดปุ๊บแมวจับปั๊บหยุดทันทีทีแรกเมื่อเป็นอารมณ์รู้เนี่ยเหมือนกับแมวตัวเล็กเล็กหนูตัวตัวโตมันออกมาแมวมันไม่เคยขูวหนูพอดีหนูออกมาไม่แมวไม่จับปุ๊บหนูมันก็วิ่งตายไปแมวก็ติดไปบัดตอนที่หมายเห็นคักๆแล้วพอดีมันคิดปุ๊บ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 ก็เลยเข้าใจโอ้พอเราเนี่ก็ไม่รู้แมวมันไม่เคยเหนูมันไม่เคยให้แมวจับพอดีแมวจับปุ๊บหนูมันซอกตายแล้วมันตกใจโอ้พอดีซอกตายเลือดมันไม่วิ่งเลยโอพอนี่ก็เล่าอย่างนั้นก็เล่าให้ฟังดีเหมือนกันแนระยะนั้นเราไปกรุงเทพเอาเนื้อไปโยนให้เสือกินมากินเอาเนื้อแมวไปโยนให้เสือมันก็กินเหมือนกันโอ้มันเข้าใจไปอย่างนั้น ก็เลยรู้จักจริงๆ ร, รู้จักมันมันรู้มันเป็นไม่ใช่มันรู้มันเป็นมันเป็นมันเห็นมันรู้มันเข้าใจสัมผัสได้จริงจตองตอ น, นเห็นวัตถุวัตถุคือแผ่นดินนี่ก็เป็นวัตถุเดี๋ยวขื้ไปท้องฟ้าก็เป็นวัตถุเดี๋ยวต้นนอเข้ามาตัวเองมือเท้าก็เป็นวัตถุเนื้อหนังเป็นวัตถุโอ้มันเป็นวัตถุ วัตถุหมายถึงของมีจริงจิตใจที่มันคิดนี่ก็เป็นวัตถุเหมือนกันอ่ามันเข้าใจยังก็เลยรู้จักวัตถุชัดเจนก็เลยรู้จักปรามาสขึ้นมาปรามาสหมายถึงของจริงตาเรามองกำลังเห็นท้องฟ้ามองลงไปที่ดินโครดกำลังเห็นมองต้นพุกราต้นมากต้นหมกักสุดสมคอก็เห็นโอ้มันเป็นปรามาสจริงจับเนื้อเราก็เห็นอ๋อนี่ก็เป็นปรามาส ความคิดกำลังคิดนี่ก็เห็นเป็นปรมาจิตจริงๆอาการโอ้ทองไมฟ้านี่บางทีก็มีเมฆบางทีก็ไม่มีมันเปลี่ยนแปลงบไงแผ่นดินเนี่ยบางทีที่นี่มันเป็นหลุมเป็นบอ่อนานๆมาคนเอาดินมาถมมันก็ลาบขึ้นมาที่สูงสูงก็ต่ำลงไปโอ้อาการสภาพความเปลี่ยนแปลงมันเป็นอย่างนี้ต้นไม้มันก็ตายเป็นแบบนี่โอ้เนื้อหนังเราก็ตึงดีแต่ถ้านานๆก็ เปลี่ยนไปเป็นคนเฒ่าคนแก่แตโอ้วัตถุปรามาตัตดอาการมันเป็นอย่างนี้โอบันนี้โทสะโมหะโลภะก็เป็นวัตถุเช่นเดียวกันเป็นปรามาตัตดเหมือนกันเป็นอาการเหมือนกันรู้อย่างนี้เนี่ยพอดีรู้อย่างนี้ก็จิตใจก็เบาขึ้นมาเลยมาเปรียบเทียบตัวเองน้ําหนักร้อยกิโลคล้ายๆคือมันทอดไปเบาไป 60กิโลถ้าพูดตามใจตัวเองในขนาดนั้นเรียกว่าเราเบาได้80กิโลไปแล้วมึงเปรียบเทียบกับคยบนนุยแบบนี้ควายในบ้านหลวงเขาเรียกว่าคยุยคุยนี่มันพูดภาษากรุงเทพไม่ค่อยรู้ควายคุยเถืกตัวหนึ่งเป็นคุยเถืกตัวเล็กๆปล่อยออกไปมีมีคุยแม่ต้องหลายโต้คุยตัวเมียนะและบัด น, นี้ยามละทุ่งใหม่ๆคุยเถืกตัวน้อยๆกับอัว ตัวเมียต้องกลัวป้องคุยแม่ไว้ได้แต่คุยแม่ตัวเมียก็กลัวควยเถกตัวเล็กๆก็กลัวไปมันเข้าใจอย่างนี้เอาแบบนี้ก็ต้องเอามีควยเถกตัวโตๆจะมันสมบูรขึ้นมาเองอตัวใหญ่ๆนะคไปแก้ควยเถกตัวใหญ่ๆนํามาพอดีควยเถกตัวใหญ่ๆมาควยเถกตัวเล็กๆมันเห็นควยเถกใหญ่ไม่ต้องไปไล่มันเลยมันวิ่งหนีเลยทันทีเลยมันกลัวควยเถกใหญ่ อันตัวโทสะโมหะโลภะกรเช่นเดี๋ยวมันกลัวกลัวโทสะโมหะโลเ อ, อตัวโทสะโมหะแล้วมันกลัวมันกลัวสติกลัวสมาธิกลัวปัญญากลัวจริงจริงเรื่องเนี้อ่ะก็เลยรู้โอ้นี่คขมเป็นพระอยู่ที่นี่โอ้เป็นพระได้แล้ววันหนี้งขมจริงตัวเองนุ่งกางเกงอยู่เดินเดินเป็นพระได้แล้วเป็นพระทางจิตใจโอ้หมักเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงขมแบบทุก มักนี่หมายถึงเบืง้งความคิดเบื้องมันคิดนี้เองโอ้มันเปลีป่ยนแปลงอย่างนีงผลของมันคือมันเบาลอยมันเนี่ยโอ้ได้ทีแล้วนะก็เลยรู้เวทนาขึ้นมาเห็นรู้เข้าใจเวทนาไม่เป็นทุกข์แล้วสัญญาโอ้จําได้แล้วไม่หลงไม่ลืมแล้วมนะันฝังขานปรุงไปในทางที่พอดีพองามไม่เป็นคนเหลือเฟือ นู่กางเกงรีก็ได้ไม่รีก็ได้เข้าใจยังไงวิญมันมันเป็นยังไงจึงว่าเมื่อเห็นอย่างนี้โอ้เทวดาได้ไม่ได้หมายถึงตัวเหล่านี้คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามรูปมันเข้าใจยังไงไม่ใช่เป็นรูปนามเป็นนามรูปพอดีรู้อันนี้โอ้คนมันมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวคนไม่ใช่เป็น หน้าตาเป็นคนอยู่เหมือนเดิมแต่ตัวเวทนาสัญญาสังขารอย่างเป็นเทวดาได้เป็นเทวดากับพระอันใดมีคุณภาพดีกวเป็นพระมีคุณภาพเหนือเทวดานี่าก็เลยรู้จริงๆรู้มูลนี่ยรู้มูลนี่ก็โอ้ยเทวดานี่ไม่ต้องกลัวแล้วเราเป็นพระแล้วนี่ก็เลยไม่กลัวเทวดาไม่กลัวผีไม่กลัวอะไรทั้งหมดเลยข่าวนั้นจะพูดความจริงให้ฟัง พอด้ปฏิบัติธรรมะรู้มาพอสมควรแลอาจารย์สอนมุนให้มุนเอาหนังเข้าท่องคนอตอนนี้ก็ต้องพูดความจริงสุก่อนฟังอาจารย์นี่สอนท่านเคยไปขเขมรท่านเรียนมาจากขเขมรเอาหนังเข้าท้องคนมันตายก็เลยพูดกับอาจารย์อาจารย์เอาหนังเข้าท่องคนมันตายแล้วท่านอาจารย์เป็นบาปนะเอาเข้าท่องผมไม่เป็นบาปผมจะให้เอาเข้าททองผมดู ท่านก็ไม่พอใจแล้วพวกอย่างนี้พราเรารู้แล้วเ้บ่อยไปแต่อาจารย์ยังไม่รู้คนไม่รู้สอนคนรู้ไม่ได้นี่เนียกว่าคนไม่รู้มาสอนคนรู้มันไม่ได้คนไม่รู้ต้องสอนคนไม่รู้เหมือนกันยังได้ท่านก็เลยไม่พอใจไม่พอจะกระทาข่าวนั้นก็มีหนังมีหนังอีกเก้งหนังวานเนี่ยเอาไปแตนน้ามาแล้วก็มาแฉมาเสียง่ายให้มันละเอียดแล้วเอาไปตองปุ้ยตีบดี่เนี่ยไปปู แล้วเอาถ้วยจีนซางถ้วยลายมักตูมเหล่านั้นนะ่ะเข้าใจไหมลายมักตูมเป็นลายมักตอกมักแตกตามถ้วยนะ่ะแต่งอมหนังหนังฟานไว้ท่านก็ไปเสกสามวันหนังมันไม่เคยหดเข้าในในถ้วยได้แบบนี้สามวันไปดูก็ไปดูด้วยกันมันไม่เข้าในถ้วยได้เอา้าต่อไปอาจารย์เอาเจ็ดวันก็ได้เอาเจ็ดวันก็ไม่เข้าในถ้วยหนังไม่เข้าในถ้วยจริงๆ ก็ เ, เลยพูดกับอาจารย์อาจารย์ว่เอาอย่างนี้ดีกว่าครับว่าเอาอยัางไรถ้าจะเอาหนังเขา้าทองผมพูดด้วยคมจิตใจเนี่ยต้องเอาไปเผาไฟอาไปเผาไฟแล้วมันทุบพูดให้ฟังเนี่ยเอาไปต้มใส่บอนล่ะต้มใส่ผักที่เหล็กเอามากินแล้วเข้าทองผมได้จิจริงๆ แต่พูดย่างโอ้ท่านดำแดงขึ้นมาทีเดียวแล้วมันไม่ออกทางเก่านะครับมันออกทางโตดูดนี่วิธียเอาหนังออกจากคนก็ออกแบบนี้ครับวะโอ้ท่านไม่พอใจเลยแม้ไม่อยากดูหน้าเลยข่าวนี้นี่คนมีคมรู้จริงวโอ้คนนี้มันไม่รู้ข่าวนั้นมีมนคงอีกด้วยแนละ้วก็เรียนกับอาจารย์คนนี้แหละท่านสอนให้สอนให้มนไล่ผีก็มี โอ้โหไม่เคยรู้ว่าตัวเป็นผีไม่เคยรู้อะไรทั้งหมดเลยขวามนขยังจําได้เป็นบางตอนท่านสอนอมธุรีโทรีเอาชนะอกูมีแผ่นทองกังพา้าเอาชนหน้าภาคกูแกนปันหินตีนกูแกนปันเหล็กเนขนแข้งท่อนน้ําคาขนขาท่อคนเม่นกูจักเต้นไปห้อยยศพันวาพญ า, ามนทั้งหลายต้องมากราบมาไหว้กูท่านสอนพอเดีร๋รู้รูปน้ํำนี่มารูปหออันเนี่ย ตกใจว่าทันทีเลยปาทูคนโง่มาสอนกูขนาดนี้สมกูตายแล้วนี่มันเป็นอย่างนั้นนี่รู้เรื่องเทวดาเลยเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยไม่กลัวผีผีอยู่ที่ไหนดีออกไปบอกมันมาเลยผีมาเหตุสักหลักคุณสิงสักสิที่ไหนไปบอกมันมาเดี๋ยวนี้ก็ได้อยู่ที่นี่ก็ได้ไปบอกไปกินหลวพ่อเทียนไปไปบอกมันมาเลยผี ไม่กลัวเลยเดียวมันเห็นอาตมามันจะกราบขึ้นมาทันทีมันจะหวตัวทําไมาถีมันกลัวจริงๆตมองเป็นอย่างนั้นแต่สิ่งที่อาตมากลัวคือกลัวคนจะเอาค้อนมาตีเอามีดมาฟันเอาปืนมายิงกลัวจริงๆเรื่องนี้ไม่เอาแม้เอาจริงๆเรื่องผีเรื่อไส้หนังบางฟันงันวธนูคูนน้อยเอามาเลยไมต้องกลัวเลยนี่มันเป็นคนจริงแล้วเนี่ยเนี่ย อ, อันนี้เดี๋ยวเป็นมนุษย์ใจสูง คนกับมนุษย์จึงไม่เหมือนกันหน้าตาเป็นคนจิตใจเป็นมนุษย์เมื่อเป็นมนุษย์แล้วพัฒนาตัวเองก็เป็นเทวดาได้พัฒนาจากเทวดาแล้วก็มาเป็นพระได้เรื่องนี้แล้วก็เดินจมกลมไปเดินจมกลมมาเนยไม่นานแวบขึ้นมาจิตใจเปลี่ยนอีกแล้วหนักเป็นเบาอีกแล้วเห็นกิลเลสตัณหาอุปทานได้เลยโอ้ กิเลสนี่เขาว่ายางเหนียวที่อาจจะมาเคยเอาดินเหนียวไปทิ่งใส่หมมันติดทันทีดินเหลวๆถ้าเอาของแข็งมาเที่ย <c> ง <oughs> มันไม่ติดเลยของแข็งต่อของแข็งกระทบกันกระเด็นแรงๆโอ้มันเป็นอย่างนี้เข้าใจนะเรื่องกิเลสตัณหาอุปทานกรรมพอดีรู้อันนี้ก็เดินจมกลมไปเดินไปเดินมาอยู่นั่นแหละ เดินไปพอสมควรก็เหนื่อยก็มานอนพูดความจริงแต่ไม่ใช่อวดดีนะอันนี้รับรองสอนได้เพราะทุกคนท่านก็มีเหมือนกันกับผมเหมือนกันกับอาตมาทุกอย่างทีเดียวอย่าเป็นคนไทยคนจีนคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนอเมริกาใครๆก็ตามถือศาสนาไหนนุ่งผ้าสีอะไรก็ตามโกนผมก็ได้ไม่โกนผมก็ได้ข่าวนั้นไม่ได้โกนผม ก็เป็นโยมเนี่ยผมยาวๆแต่ชอบตัดผมผมยาวไม่เอาเอาพอหวีได้แต่วีพอแต่ไม่เคยหวีแต่หวีมาทางนี้หวีมาทางนี้แต่ไม่ไม่เคยหวีจากนั้นยังไม่เคยหวีมาทางนี้ธรรมดาแต่เดี๋ยวนี้มันลูกมันผมไม่ไปตั้งอย่างเดียวทาอย่างนั้นเนี่ยสอนได้จริงๆรับรองสิ่งที่ตัวเองมีเนี่ยคนอื่นก็มีเราก็ต้องกล้าสอนได้ที่ของจริงมันมีในคนเนี่ย เดินไปเดินมาเหนื่อยก็ไปนอนนอนก็หลับหลับนอนตื่นขึ้นมาบ่ตื่นขึ้นมาประมาณตีสองตีสามนี่แหละก็เลยมาแปงหน้าแปงฟันดีดีก็ออกไปเดินจมกลมเดินจมกลมมีเทียนไขใต้รักต้นนั้นต้นนี้ใต้เทียนไขเอาไว้แล้วมันไม่มีไฟฟ้าเหมือนทุกวั น, นมีตะขาบตัวหนึ่งแล่นออกมามันมันเป็นทุ่ง น, น้กคว ก, วกออกมา เอ๊ะตัวอะไรแดงๆก่อนเลยโอ้ตัวตะาตะขาบกัดอาจจะมามันเจ็บโอ้หน้าตาไหลทีเดียวนักตาขากัดที่ใดต้องเจ็บมากก็เลยไปเอาเทียนไขามาดูตามมันไปมันไกลๆแล้วก็อมองไม่เห็นโอ้ไปแล้วก็เลยเอาเพียงขัดไปไว้ที่เดิมก็ไปใต้ไว้ที่เดิมไต้แล้วก็เดินจมกลมอยู่นะเดินไปเดินมากลับไปกลับมาเลยเกิด เห็นรู้เข้าใจมันเป็นเองเนี่ยความเป็นเองอย่าไปกดทับมันให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันจริงๆเดี๋ยวนี้เราทําอะไรไปกดทับมันความเป็นเองมันมัน ไ, ได้สแสดงเต็มที่มันสแสดงไม่ได้เพราะเราไปกดทับมันเดี๋ยวกันอยากเป็นอันนั้นอยากเป็นอันนี้ไปเข้าใจยก็เลยเข้าใจสิโอสินห้าสินแปดสินสิบสินสองร้อยี่สิบเจ็ด ศีลสาม้อยสิบเอ็ดตัวนะั้นมันไม่เป็นอย่างนี้อันนั้นมันเป็นคําพูดสมมุติให้คนผู้ที่ยังไม่รู้ก็เลยเข้าใจว่าศีลขันสมาธิขันปัญญาขันขันเป็นวัตถุที่รองรับได้เหมือนกับขันตักน้ํานี่แหละเลยมันเข้าใจเปรียบเทียบเลยขันตักน้ําถ้าเป็นขันแตกแล้วอาไปตักน้ําไม่ได้กินถ้าขันดีๆเอาไปตักน้ําได้กินข่าวนั้นไม่ออกไม่เทียนเนี่ยเรียกว่า มีวาชัะก็ได้เป็นไม่ได้โบสถเป็นผ้าเป็นเนื้ตั้าผ้าให้ฟื้นสิบสองเอาไปอาบน้ําได้ห่มนอนก็นได้ฟื้นที่ฟื้นที่มันก็ดีมันเนื้อดีโอ้ฟื้นขันตั้าผ้ามันก็ดีเนื้อก็ดีโอ้ขันนี่หมายถึงต่อสู้ลองรับเข้าใจอย่างนั้นโอ้ก็เลยไปตรงกับศีลขัน เออสินสมาธิปัญญาคืออาธิศินสิขาอธิกิตตะสิขาที่ปัญญาสิขาตําลาพูดอย่างนั้นแต่ตัวเองเห็นว่าเป็นสินขันสมาธิขันปัญญาขันเข้าใจอย่างนั้นขันคืออะไรขันคือตัวเองนี่เองมาสักขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารคือขันอันนี้มันที่เข้าใจอย่างนั้นเกีขันเป็นการต่อสู้ถลุงให้มันแตกออกไปง่ายแต่เข้าใจอ๋อสินจะเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างใหญ่ ความจริงกิเลสยังหยาบคือโทสะโมหะโลภะนี่หยาบที่สุดแล้วกิเลสตัณหาประธานการนีหยาบที่สุดมันทำลายตัง้งแต่ตอนเย็นตอนเช้านี่ก็เลยอันนี้ปรากฏขึ้นมามันเข้าใจจริงๆอันนี้จะหาว่าอวดดีนะบางคนจะหาว่าโอ้นี่พูดเหนือความรู้ของมนุษย์ไปแล้วโอ้ก็เหนือมนุษย์จริงจริงทที่พูดนี้ปุถุสนรู้ไม่ได้แต่รู้ได้ ความสัญญาจำแตกจิตใจไม่รู้จิตใจมันมืดบอดอยู่อย่างนั้นนี่มันเป็นอย่างไงจึงว่าทำที่เป็นธรรมอันนี้เป็นธรรมของเรียกว่าของพระอริยบุคคลว่ายานาก็ได้จิตใจเปลี่ยนสามครั้งแล้วนี่ก็เลยรู้จกักโอ้เราไปทำกรรมฐานเมื่อขณะเราทําเนี่ยโอ้มันทําไปอย่างนั้นอันนั้นมันอยากไม่รู้ มันไม่ใช่อยากรู้มันอยากไม่รู้ทําไมเราพูดอยากไม่รู้จ้ามันไม่เคลื่อนไม่ไหวที่ไหนมันจะรู้อะไรจิตใจมันคิดมันก็ไม่รู้มันจึงอยากไม่รู้โอ๋ออยากรู้เลยอยากรู้ก็พลิกมือดูสิรู้ไหมรู้มันถามตัวเองโออันนี้เป็นอยากรู้รู้อะไรรู้ตัวเองเนี่ยกําลังเคลื่อนกําลังไหวอยู่ที่นี่มันนึกมันคิดอะไรก็รู้เนี่ยก็เลยรู้อย่างนี้โอ้สมถะกรรมฐานครับที่ปรัชนากรรมฐานมันมันแยกกันที่ตรงนี้ โอกรรมฐานนี่หมายถึงเป็นนังเสย์ให้มันสงบอย่างโออัอนนั้นกรรมฐานเมืองกับคนเข้าไปในถ้ำมาสบายเนี้มันมาเปรียบเทียบไว้เพราะอาจารย์ที่เอาวุาเป็นเนนผาเข้าถ้าบ่อยะไปหาของขังหาของขังนี่เก่งนะอาจารย์องค์นี้่หาของขังก็เปรียบเกอบไฟอยู่ในมือเราแบบนี้เราก็มีความสว่างแต่คมมืดมันไม่หนีจากเราเอาไฟมาข้างหน้า มืดมาข้างหลังเอาไฟมาข้างหลังมืดมาข้างหน้าไฟมันอยู่มือเราสอกเรามันมืดบนนี้โอ๊ะโผลมืดมาอยู่ที่เราก็ เ, าเลยรู้จักอย่นี้เอาเดินทางออกไปนอกถ้ำซะแบบนี้เดินออกไปนอกถ้ำโผลมืดไม่มีวางไจก็ได้จลิงว่าไม่ต้องขึ้นอยู่กับตำรับตำลาธรรมะแบบนี้จึงเหรอไม่ขึ้นอยู่กับตําลาจริงๆจะคาดคิดเอาไม่ได้เรื่องนี้รู้ล่วงหน้าไม่ได้มันเป็นได้จึงรู้ อันนี้คูดกลมจริงให้ฝังพอดีเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ เ, เลยเดินไปเดินมารู้บเห็นเข้าใจสัมผัสได้การทำบาปด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเนี่ยทำบาปด้วยกายคือเอากายไปตีคนแต่คำพูดพูดดีๆแต่เราตบเราตีกันเล่นๆ เ, เนี่ยถ้าว่านรกมีจริงไ ป, งไปตกนรกขุมไหนถามตัวเอง ถ้ามันไม่มีแล้วมันเป็นยังไงมันก็ไม่ดีไปตีคนมันจะดีทําไมถามตัวเองแล้วทําบาปด้วยว่าจะไปพูดให้เขาเสียอกเสียใจด่าเขาถ้านรกมีไปตกคุ้มไหนมันก็ไม่ดีเลยถ้าไม่มีนรกเป็นยังไงมันก็บาปแล้วบาปก็คือทุกนันเองพอพูดให้คนไม่ดีเนี่ยไปพูดให้ธรรมะไม่ดีเนี่ยมันมันถามตัวเองทําบาปด้วยใจแบบนี้ก็ถามตัวเองไปยัง บาป น, นี้ทําบาปด้วยกายด้วยวา จ, จาด้วยใจไปตกนรกขุมไหนถามตัวเองอย่างนี้ถ้ามีจริงถ้ามไม่มีเป็นยังไงก็เลยรู้อันนี้นตรงกันข้ามบาป น, นี้ทําบุญด้วยกา ย, ยาถ้าหากสวรรค์นี่ผ่านมีจริงเราจะไปเกิดสวรรค์ท่านไหนถ้ามันไม่มีเป็นยังไงโจมกับทําบุญด้วยกายก็คือเราเดินจมกลมหยุดางอยู่ตรงนี้นี่แหละเนี่ยทําบุญด้วยกายมันถามตัวเองโอ้มันไม่มีทุกข์โอ้อย่างนี้จร โอสวรรค์เขอยู่ที่ไหนอก็สวรรค์อยู่ในอกนะโลกอยู่ที่ใจพระนิพพานก็นอยู่ที่ใจมันถานตัวเองทําบุญด้วยกายเนี่ยโอ้ทาบุญได้ไร้จ้าบ่เนี้พูดดีคุยดีบ่เนี่ยทํางานโดยเฉพาะตัวเองนี่เป็นยังไงมันก็นรู้ไ ป, ปยังบันนี้ทําบุญด้วยใจบ่เนี้ยจิตใจก็คิดนี่เธอทําอยู่นี่ทําอะไรก็ไม่ได้ทําบาปทํากรรมอะไรเนี่ยเนี่ยเป็นศีลเป็นธรรมจริงจร บ้นี้ทำบุญด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจพอดีมาตกตัวนี้แหละรู้เข้าใจสัมผัสได้พอดีตกตัวนี้แล้วก็จิตใจมันเสียววูบลงเลยอ๋อสภาพนี้เรียกว่าอาการเกิดดับรู้จริงๆเรื่องนี้ใครจะพูดอย่างนง้ก็ตามหรืเสี้อคนทำไมของจริงนี่อยู่ในเราพอดีรู้ตรงนี้แหละอันนี้มันเป็นผล เป็นผลของพระเดียบุคคลจี่ว่าจิตใจเปลี่ยนมาแต่ระดับระดับนั้นหยอดเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมามาถึงจุดที่จิตมันวูบลรงนี้เนี่ยมันเป็นผลของพระเดียบุคคลนี่ว่าพระโสดาผลมันมาจบที่ตรงนี้เรื่องผลของพระโสดาบัดนี้อุปมาให้ฟังเหมือนกับเราเดินทางเราเดินทางข้างเดียวเนี่จะไม่รู้ มีหลักมีตอมีไม้อะไรอยู่ที่ไหนเราจะไม่รู้เราต้องเดินกลับคืนมาอีกแล้วกลับคืนมาก็ต้องพยายามตรวจตาดูแล้วก็เดินไปเดินมากิเลสนี่มันค่อยหายไปจางไปจางไปอย่างนี้พอดีมันมาตกเอาครั้งสุดท้ายนี่แหละมันมันมันหมดตัวเหมือนกับปิงคึกปูนนี่ทีเดียวปิงมันหดตัวเข้ามันแข็งตัวมันทั้งหมดเลย จนตัวของเรานี่แข็งเข่าหมดทั้งหมดดูหยาดเยอะคล้ายๆคือเราไม่เหยียบกับดินที่เราเดินไปนะคือเราไม่เหยียบดินนี่แนหะมันเบาวิ้วเป็นสบายต้องเข้าใจจริงๆพอดีมันหดตัวแล้วเข้าใจเรื่องพระพุทธเจ้าทีเดียววันนะี้พระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวโอ้โหตายพระพุทธเจ้าก็ธรรมดาคือคนธรรมดานี่เองเหมือนน ผมยาวเหมือนกันกับเราเนี่ยมันจะเป็นทําไมพระพุทธเจ้าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเข้าใจอย่างนั้นจริงๆแล้วก็เลยมาเปรียบให้คนฟังเมื่อกับเสื้อกในร่อนผูกซุนนั้นซุนนี้เราตากผ้าได้ไปท่วงไปแขนก็ได้เอามีไปตัดตรงกลางปุ๊บทาไม่ได้ตากผ้าไม่ได้แต่แก้ซ้นนั้นซุนนี้มาต่อตรงกลางไม่ถึงข้างนั้นข้างนี้อีกแล้วบันนี้แก้ตรงกลางไปมัดทางซ้นนั้นชนนี้ ตรงกลางไม่ถึงอีกแล้วมันเป็นความเปรียบเทียบอะไรแต่มันเป็นได้ยังรู้ก็เลยรู้จริงๆก็เลยไปตรงเอากับที่ท่านผู้รู้เขียนเอาไว้เมื่อถึงที่สุดแล้วยานย่อมมีแต่มันถึงที่สุดแล้วมันยังมีไม่ใช่รู้ล่วงหน้านะเรื่องนี้อันนี้พูดความจริงจะหาว่าพูดอวดอุตทะเลมนุษยาธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ก็จําเป็นต้องพูดสู่กันฟังเพราะว่าเรามาที่นี่ต้องสนใจเธอนี่ สนใจครั้งนี้อันนี้แหละเป็นเนื้อแท้ของบุญเป็นแก่นของบุญเป็นใจกลางของบุญจริงๆที่ว่าคนมีบุญแล้วจึงจะเอาบุญให้คนได้คนไม่มีบุญเอาบุญให้คนไม่ได้ตัวของอาตมาเองตัวของผมเองเคยเอาบุญแต่ไม่รู้ว่าบุญคืออะไรอยู่ที่ไหนทำเพื่ออะไรไม่รู้เลยบัดนี้รู้แล้วจุดของบุญมันอยู่ที่ไหน แล้วบุญคืออะไรอยู่ที่ไหนรู้แล้วบนนี้อันนี้มันเป็นหน้าที่ของทุกคนศึกษาให้รู้ให้รู้จริงๆเรื่องนี้ถ้าไม่รู้เรื่องนี้แล้วเสียทีที่มาเกิดเป็นคนจริงๆขาดทุนเหมือนกับเรามาค้าขายนี่แหละค้าขายไม่เป็นต้องขาดทุนคนค้าขายเป็นต้องได้กาไรอย่างนี้ดังนั้นการเจริญสติแบบนี้เหมือนกับคนแก่ คนเจรเรางับเขาแล้วมันไขไม่ได้เอาลูกมันแง่เข้าไปทางตูดมันบิดคนแจมันไขออกเ อ, เองมันไขเองมันไม่ต้องไปดึงมันให้มันเหนื่อยอันนี้ก็เหมือนกันเพียงพลิกมือขึ้นขั้วมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังเอียงซ้ายเอียงขวากม้มเลยอะไรอะไรทั้งหมดเนี่แหละให้มันรู้อยู่ทุกขณะทุกขณะ รวมเป็นเองมันมีอยู่แล้วมันจะไหลไปมันจะค้อยไปแต่เราอย่าอยากรู้อย่าอยากเห็นอย่าอยากเป็นอย่างนี้ก็เลยตรงกันข้ามที่เราอยากเป็นเราอยากหายตัวได้แต่มันของไม่มีจะไปหาทาไมหายตัวได้ทำไมจะห่อได้คนมันมีน้ำหนักสมัยนั้นมันห้าสิบกิโลสี่สิบแปดกิโลนี่เราฟังเรื่อยตัวเองแล้วจะห่อได้ไหมมันห่อไม่ได้ไม่ใช่นก ไม่ใช่เครื่องยนต์ ก, นกลไกที่มันพากันไปได้อย่างไงคนมันจะเหาะได้ทําไมมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไปอยากได้มนหายตัวเนี่ยข่าวนั้นพอเราให้ฟังเป็นเด็กสุนัขหมาเนี่ยหมาบ้านอาจจะมาเรียกว่าหมาไม่เคยรู้ว่าสุนัขนี่ก็ยังไม่เคยรู้นะหมาหมามันแล่นไปเริ่มเป็นนอนขวางทางเราบางครัง้งบางครั้งแล้มันไปยืนขวางทางเรามันลองมนมนหายตัวมันได้เลย พอสอนให้ฟังคันเราไล่มันไม่ดีใจหมาเนี่ยเสะเสะสิไม่ไม่ดีใจพอเดี๋ยวเราเดินไปเตะตู้มันโอ้ยมุนขังอะไเขาไม่เห็นนะนั่นมันดีใจมันมันก็แลกไปขวงหน้าอีกคันเราไปไล่มันโอ้ยมุนมันหายไปแล้วเราไปเตะมันว่ามุนมันขังอันนั้นโอ้พ่อเราก็ไม่เลยพูดให้เราตอนนักประจําได้โอ้ยคนมันจะหายตัวได้ทําไมมันเป็นคนมันไม่ใช่ของทองเน็ปทองเข็ม นเพนั้นตนนี้ต้อเข็มนรา ก, ก็ยังมองเห็นได้อันนี้ไปลพูดคมจริงสู่กันฟังที่พูดนี่พูดควมจริงได้เนี่ยท่านทุกคนเลยมีอย่างที่ผมทั้งนั้นผู้หญิงก็มีเช่นนี้ผู้ชายก็มีเช่นนี้วิธีนี้สอนได้รับรองได้เพราะเราเป็นเรามีเราเข้าใจเรื่องนี้จึงรับรองได้รับรองได้จริงๆอัตราเงินเดือนคนละพันบาทอ้าวมาปฏิบัติสามปีอยากคิดเงินให้เดือนละพันบาทพันบาท ถ้าสองพันเนี่ยจะคิดให้ในอัตราเดือนละสองพันบาทแต่ว่าห้าหกพันได้รับรองไม่ได้ไม่มีเลนแต่อัตราเงินเดือนห้าพันเนี่ยจะรับให้เพียงสามเดือนหมื่นห้าพันนี่พอที่จะหาได้อย่าไปขอคนนั้นคนนี้ได้สามเดือนอัตราเงินเดือนห้าพันจะหาให้ได้ยังรับรองว่าตัวเองเข้าใจหลักพุทธศาสนาได้จริงได้จริงๆริงเรื่องนี้รับรองได้แต่ว่า จะสอนมากมาเยเงินเดินหมื่นให้ไม่รับรองสามเดือนจะเอาสามหมืนนี้ไม่รับรองรับรองไม่ได้การเจริญสติแบบนี้นะ่ะอย่างนานไม่เกินสามปีทำทุกวันทุกวันให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่ตัวเองคิดเอาเองอันเนี้ยเพราะตัวเองทํามาแล้วเนี่ยทามาแล้วก็ต้องรู้ที่ต้องเข้าใจที่อย่างนั้นเตอาทุกวันนี้ทาไม่ทาทาทุกวันเพราะมันเป็นงานของเรานี่ มันเป็นธุระของเราเนี่ยใครมาถามทํำยังไงก็ทําอย่างนี้แหละคืออย่างพูดเนี่ยพูดนี้ก็ดูจิตดูใจตัวเองอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยทําอย่างนี้อันนี้เรียกว่าอยู่อย่างต่ํากินอย่างต่ํานอนอย่างต่ําทํางานอย่างสูงย่างสูงที่สุดคือชีวิตจิตใจซื้อไม่ได้ขายไม่ได้มีเงินร้อยล้านพันล้านก็ซื้อไม่ได้เรียนรู้สูงสูงได้ปริญาสูงสูง ก็ไม่ได้จําเป็นอันนี้ต้องปฏิบัติต้องให้มันเป็นเองความเป็นเองมันมีอยู่แล้วอันนี้เคยเห็นไหมอ้าวคุณซานอยู่ออสเตรเลียใช่ไหมและประเทศออสเตรเลียขายซีวิตคนมีไหมไม่มีอ๋ออ้าววันนี้อาจารย์ทยวิทิตอยู่ที่ไหนตลาดกรุงเทพในบริษัทกรุงเทพขายซีวิตคนมีไหมเออทําไม เราจะเป็นนอนใจทำไมเรื่องชีวิตเราต้องศึกษาให้รู้จริ ง, รงๆเรื่องนี้ถ้าไม่รู้เราขาดทุนศูนย์เปลาสมกับบาลีเ้ยไม่ต้องพูดภาษาบาลีเขาได้พูดภาษาเรานี่แหละท่านผู้รู้สอนไอว้ว่าคนเกิดมาร้อยปีพันปีก็ตา่างถ้าไม่เห็นสภาพหรือภาวะอาการเกิดดับนี่แหละชีวิตบุคคล น, นั้นเป็นหมันคำว่าเป็นหมันก็เป็นโมฆะใสไม่ได้ ชีวิตอั น, นั้นใส่ไม่ได้ชีวิตของคนและชีวิตของสัตว์ว่าสัมพันธว่าตรงกันข้ามคนเกิดมาเพียงวันเดียวรู้สภาพและภาวะอาการเกิดดับนี่เนี่ยดีกว่าบุคคลที่เกิดมามีอายุเป็นอยู่ร้อยปีแต่ผู้หญิงผู้ซ้ายก็ตามเกิดมาวันเดียวจะรู้ได้ทั้งรู้ไม่ได้คลิ้งตีงโตไม่ได้บนอุจละก็นอนอุจละขาที่ปัสวะขาที่ กินข้าวก็มีคนเอามาให้กินนอนแบร่เบาอยู่สองตลึงอยู่อย่างนั้นไงเป็นยังอันนั้นมันเป็นคำพูดของคนที่เลาเล่ากันมาเรามาปฏิบัติธรรมะนี่แหละจึงพูดทุกวันทุกวันอย่าไปมัวพูดมัวคุยกันอันพูดคุยกันนมันขาดทุนมันไปพูดเรื่องคนอื่นมันไม่ได้พูดเรื่องของเราจึงชอบพูดแต่เรื่องตัวเอง วันนี้พูดเรื่องตัวเองแล้วก็ดูตัวเองอยู่เสมออย่างเนี้มันเป็นอย่างนั้นบัดนี้พูดถึงพระบัดเนี่ยพระสงฆ์องค์ไหนเราจะไปก็ตก อ, อกตกใจเพราะว่าคําพูดมันพูดอย่างนี้บวชมาร้อยพรรษาบัดนี้บวชมาตั้งอนุร้อยพรรษาคุณนะหากไม่รู้สภาพหรือภาวะอาการเกิดดับนี่แหละการบวชของบุคคล น, นั้นเป็นมันคําว่าเป็นมันก็เป็นโมคะนั่นเอง โมฆะแปลว่าใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ชีวิตอันนั้นน่ะมันใช้ไม่ถูกเรื่องมันมันมันไม่เป็นตะเอาบัดนี้บุคคลที่บวชมาเพียงวันเดียวเอามีดมาโกนผมแล้วก็เข้าไปบวชโดลยรู้เห็นเข้าใจสัมผัสได้อาการกระดับบุคคลที่บวชเพียงวันเดียวเนี่ยชีวิตดีกว่าบุคคลที่บวชมา 100, ร้อยพักสายดีกว่ามีประโยชน์กว่ามีคุณค่ากว่าเนี่ยคําพูดอันนี้ก็เลยเข้าใจไปเนาะ บัด <asthma> นี้ก exactly. yes. ็เลยมาพูดตอนสุดท้ายนี่พูดแล้วมันยาวไปนะพูดนี่ต่อได้ชั่วโมงเหนื่อยพอสมควนเลยแกจําเป็นเขาต้องอดพูดเพราะว่าการพูดอย่างนี้น้อยคนพูดที่สุดถึงตายก็แล้วก็จะไม่ได้พูดให้คนฟังเลยเมื่อมันหดตัวเขานี่แหละมันแข็งตัวหมดเนื้อหมดตัวจืดไปเคยทําอย่างนี้มือเราที่ตรงนี้ทํากับ เพื่อนเพื่อนที่บ้านบุกโหมแต่เมื่อเป็นโยมทําอย่างนี้เอามือมากดที่ตรงนี้อันนี้มันแดงพอดีเรากดเข้ามาันมันขาวหรือเราจะเปรียบกับอ้มเด็กเอามือไปแตะกับพวกเด็กเด็กมือมันขาวพอดีมือเราไปแตะมันขาวที่มันแดงแดงมันจะขาว ท, าทันทีพอดีเราเอามือออกมันจะแดงเข้าไปทันทีอ๋อมันเป็นอย่างนี้สาภาพภาวะ น, นี่เป็นพอดีรู้อันนี้มันหดตัวเข้าไป เมื่อหมดตัวเข้าไปก็เลยรู้ว่าโอนี่ก็มียานขึ้นมาเมื่อถึงที่สุดแล้วยานย่อมมีแต่มันถึงที่สุดแล้วนะ่นยังเป็นนะไม่ถึงที่สุดไม่เป็นอันนี้พูดจริงๆนะซาดสิ้นแล้วพบสิ้นแล้วผมอาจารย์อยู่จบแล้วกิจอื่นไม่มีกิจเรื่องการ ท, ทําธุระทางจิตนอกจากการทรํากิจแบบไม่มีอะไรจะสูงกว่าการ ท, ทารําทางจาิตทางใจนี่เอง อันนี้เป็นความรู้เป็นความเข้าใจที่เราสัมผัสได้ดังนั้นจึงจะพูดแต่อย่างนี้มาเป็นเวลายี่สิบกว่าปีแล้วสอนมาอย่างนี้ใครจะพูดยังไงก็ตามไม่ได้ดีใจเสียใจกับใครทั้งหมดเลยจะสอนเรื่องนี้ตัวเองมีเรื่องนี้แต่เรื่องหาเงินกับเรื่องเรียนหนังสือเนี่ยสอนไม่เต็มเพราะาหาเงินนี่คนสลดัดกรุงเทพมีเงินหลายแล้ว มีผู้ละหลายสิบร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนเป็นล้านเป็นหลายสิบล้านคนไม่ต้องสอนมันเองเพราะทุกคนต้องทํามาทนเป็นบัดนี้เรียนหนังสือก็เหมือนกันเขียนไม่เป็นแล้วก็สอนไม่ได้แต่เรื่องนี้สอนได้รับรองว่าตัวเองมีความสามารถที่จะสอนได้แต่ว่าจะไปได้ไม่มากมันแล้วแต่บุคคลผู้ปฏิบัติเท่านั้นเองดังนั้นที่ได้นําความศักด ขวมจริงมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเก่เวลาแล้วท้ายที่สุดนี่อาจจะมาขออ้างอีเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า